จากนั้นก็ได้พักอยู่ที่วัดท่านพอเย็นๆประมาณสักสี่ห้าโมงก ว, กว่าก็ได้นั่งรถไปที่วัดหลวงปู่อุทัยวัดอะไรานะสัมปันโนเขาใหญ่ไปก็ถึงแล้วก็พระก็ออนิ ม, มนต์บอกว่าหลวงพอ่ขอขอนิ ม, มนต์หลว ง, งพอ่อหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็เอาไปปฏิเสธจากนั้นพอพระสงฆ์สวด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 เสียไปเมื่อวานเประมาณทักสิบโมงกว่ากว่าเป็นยังไงล่ะป่วยอะไรล่ะคงจะเหนื่อยนอนไปเฉยเฉยนี่แหละางั้นหมดสภาพก็เลยไปได้ไง่ายง่ายไปเมื่อประมาณทักสิบโมงเดี๋ยวนี้ก็เก็บศพไว้ที่นั่นคงจะประชุมเพลิงที่วัดวังน้าวัดวัดบ้านเขาวัด